อันดอเที่ยววิเศษจกลมก็เคยมีประวัติมากเช่นพระสาดีบุตรพระประมุนพระคุณน้ำมันจะดีบุตรพระคุณน้มันจะเดงุตรเป็นฤกษ์ศิษย์การเปิดให้ท่องรู้ความเห็นเมื่อ <laughs> <laughs> ออจากท่านไปแล้วทดลองสอบถามเรื่องการปฏิบัติกับบุกศิษย์ของลูกศิษย์เห็นให้รูกจักเป็นสิ่งที่สำคัญในเมื่อเราเป็นนักเรียน เ้วเรียนรู้เรียนปริญญาแล้วก็ในอ่านในพบซึ่งพระสารีบุตรกับพระคุณณมันตะมีบุตรซึ่งเป็นอาจารย์บุคคลปฏิบัติร่วมกันมาพระสารีบุตรท่านเป็นผู้มีปัญญามาก พอสมควรเมื่ออุปสัรคใดๆเกิดขึ้นมาจวนเจียนจะเป็นอันตรายท่านก็อเอาตัวของท่านพ้นเพราะท่านมีปัญญาในคราวหนึ่งตามประวัติของท่าน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 ทำให้สถาบันของพระพุทธเจ้าของเรานี่ยยังยืนอยู่ตลอดกาลนานภาษาริบุตรนั้นทนนิปัญญาองค์หนึ่งท่านชื่อว่าเหมือนพี่เรียงองค์หนึ่ง ท่านมีคามเหมือนนางนมพระษาดีบุตรเป็นผู้มีปัญญาพระโมกัลาเป็นผู้มีฤทธิ์สองอย่างนี้สาวกสององค์นี้เป็นพระสาวกที่เลิศทางปัญญาเลิศทางฤทธิ์สององค์นี้เป็นเหตุช่วย พศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาท่านจึงจัดเป็นภักษาวกชะไา้าขวามีปัญหาในต่งางๆที่เราเรียนนักธรรมมาเมื่อพระเทลรสององค์นี้ค่อยจะออกเป็นปัญหาถามนักเรียนอยู่เสมอ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 วันหนึ่งก็เป็นเวลาเย็นพระโมคคันลาพระสารีบุต ร, ร่นรวมกันพูดศึกษากันว่าท่านเป็นรูปอะไรเป็นอย่างไรสมัยก่อนเป็นครว่าท่า น, นเคยเป็นไหมอะไรทั้งหลายเหล่านี้แต่พระสารีบุตรท่านก็ตอบว่า เป็นโรคอันนี้ผมเคยเป็นมาเต็มเวลาผมเป็นกระวา่าทําไมมันถึงหายล่ะท่านก็ตอบว่าโยมผมช่วยทําเข้าวัตถุปยาเข้าอันนั้นเป็นอาหารที่ว่า มีนมมีเนยมีถัเขียวมีน้ำตาลในหลายอย่างรวมเข้ากันเป็นอาหารที่ประณีตเอามาให้ฉันโลกลกก็หายไปเมื่ อ, อราเธล่าช่ององค์กำลังศึกษากันอยู่อย่างนี้มันกระทบกระเทือนถึงเทพยุดา เฝ้าสิงสถิตยอยู่ประตูซุ้มได้ยินเมื่อได้ยินแล้วก็เทพยุดานั้นก็ไปสิงทายกวัดในสายทางที่พระมุกัลาเที่ยววินทบาทไปจับคอบิดไป คงจะเป็ น, ปนคล้ายกับที่ว่าเขาเข้าทวงมันอีเดียวนี้ออกปากมาว่าทำไมสอบถามกันว่าเราอยากได้ยาหรือคว า, ามาทุพยติเป็นถวายพระสารีบุตรทายกทั้งหลายก็มีศรัทธาเรื่มใส พอมที่จะต้องทำยายนั่นถวายพระตามควา ม, มเทพยุามาสิงสถิตทายกนั้นตอนเช้าพระโมกขลาไปเที่ยวเิ็นสวัสดิเขาเตรียมทำกันนะพระโมกขลาไปเที่ยวเป็นสวัสมาก็ไปได้อาหารชนิดนั่นมา ชนิที่พูดกันกภาษาดิบุตรเมืม่อคืนนี้ก็เลมานอมมาถวายดีใจถวายภาษาดิบุตรพอมาถึงภาษาดิบุตรถวายภาษาดิบุตรแล้วภาษาดิบุตรเลยรับแด็กกพิจรารณาเอออาหารชนิดนี้ให้เราได้พูดกันเมื่อคืนนี้มันเป็น วายีวินยัติเป็นเหตุในเทศพยูดาทั้งหลายรับรู้เข้าใจอาหารอนี้จึงเกิดมาจากวายีวินยัตของเราเมื่อพระโมกคันลาน้อมอาหารอนนี้ถวายท่านท่านก็บอกพระอาสาลีบุตรว่าบอกพระโมกคันลาว่าท่านพระโมกคันลา อาหารชนิด น, นี้ถึงแม้ว่าเราป่วยหนักถึงแม้อวัยวะอะไรที่อยู่ในร่างกายของเรนี้มันจะดุดหรือมันจะผาดหรือท้องไส้ของเราเป็นต้นมันจะรั่ออกมาเราก็าไม่ยอมฉันแต่เี่ยเพราะอันนี้มันเป็นวายจีวิญญติ มีบุตรถึงแง่พระวิดใ น, นพระโมกขลาก็เลยในพระภาษาดีบุตรก็เลยให้พระโมคัขณาไปเทลงพื้นแผ่นดินนู้นนะดีกว่าพระโมกขลาก็เอาไปเทลงพื้นแผ่นดินที่พระโมกที่พระสารีบุตรรับจังพออาหารนั่นตกลงพื้นแผ่นดินโรคในท้องของพระสารีบุตรนั้นหายเลยทีเดียวนี่พูดถึงแง่ ไอ้ความละเอียดถ่อนของท่านภนาวนานี่ท่านรักษาราวินยัยท่านรักษาวิญญัตที่การขอของแก่คนใจยะ ใ, ใจโอรนานอันนี้ท่านถึงขนาดนั้นอันนี้เมื่อเราเดินทุดงก็ควนยกข้อปฏิบัติ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 เมื่อเดินทางไปก็มันหิวมันกันดาร น, นี่มันขาดข้ารถมันขาดค้าเรือมันขาดการพัดย่างอย่างนี้อันนี้เป็นอุปสรรคอันหนึ่งเหมือนกันอันนี้เราจะได้ทดลองเราจะไ้พบเราจะได้เห็นอันนี้จะเป็นที่เกิดปัญญา อ, อีกประการหนึ่งท่านเป็นผู้ที่เรารอบมาก ในเรื่องทั้งหลายเหล่านี้จนเป็นพระองค์หนึ่งเป็นผู้เลิศในพุทธศาสนานี้ทางปัญญาเมื่อพระปุณณมันตณีบุตรซึ่งเป็นลกสิษย์จะออกเดินตูดงท่านั้ก็เป็นห่วงไม่อยากจะรู้อยากจะถามความเห็นจิตใจของพระปุณนมันตณีบุตรว่ามันจะเป็นยังไงไหม เมื่อภาษาเมื่อพระปณ น, น, นัมจันีบุตรกราบลาไปทูดงคือไปเที่ยววิเวกเปลี่ยนสถานที่อืมอย่างพระเที่ยวทุดงตัวนนี้ท่านก็ได้ถามว่าพระปณนมัมจันีว่าพระปณ น, น, นัมนันนีท่านไปทูดง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 ถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่มาเรียนถามกันว่าท่านพระสัทีบุตรว่าท่านพระพุณมันตะนีบุตรว่ามนุษย์นี้ตายแล้วเป็นอย่างไรมนุษย์นี้ตายแล้วจะไปที่ไหนอย่างนี้เป็นต้น ท่านจะตอบเพราะว่าอย่างไรเมื่อครูอาจารย์ถามปัญหาในที่นั่นพระคุณมันตนีบุตรนั้นมีอยู่แล้วฉเฉยที่จ ะ, ฉะเฉยปัญหาอันนี้มีอยู่แล้วมีอยู่นานที่ด้วย ม, มีอยู่แล้วเพราะมันมีความรู้สึกอยู่แล้ว ถ้าเขาถามเช่นนั้นท้าคุณณมันตรีว่าถ้าเขาถามเช่นนั้นอืเก้ากระผมก็จะตอบกับวารูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไป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 เราก็จังตอบว่ารูปเบทนาสัญญาสังขารยิน ญ, ญาณเกิดแล้วดับไปตามตัวหนังสือตามตำราถ้าชอบก็มา ก, รรการท่องระยอมให้ไหนแะล้วตอบถูกแล้วไอ้ความตอบถูกเช่นนี้ไม่ใช่ว่ามันเกิดมาจากใจไม่ใช่ว่าไอ้ตัวเราก็เป็นอย่างนั้น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 อืรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดียิ่ญานก็ ด, ญญกดีท่านไม่เห็นอะไรว่ามันมากไปกว่นานั้นท่านเห็นว่าสิ่งทั้งห้าอย่างนี้มันเกิดแล้วก็ดับก็เพราะท่านมาเห็นว่าอันนี้มันไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นบุคคลตัวตนเราเขา มันเป็นแต่พอเพียงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารยิน ญ, ญาณเกิดเร้ยบรับไปท่านตอบในแง่ว่าอนัตตาไม่มีอะไรจะมีเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารยิน ญ, ญานนี้เป็นแต่สิ่งที่สมมุติขึ้นมาเป็นตัวต้นอท่านปริตอบตรงเข้าไปถึงธรรมะว่าอันนี้มันเป็นอนัตตาเกิดเร้ยกระดับเท่านั้น เห็นเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้ว ด, ดับไปท่านภาษาทิบุตรได้ยินคำตอบของพระคุณณมันตนีบุตรแล้วก็ซึ่งในการตอบปัญหาของท่านท่านก็นึกในใจของท่านว่าพระปุณณมนตี น, นี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ฉลาดสามารถที่จะ โต้อตอบปัญหาของชาวมนุษย์ทงางไหยพอสมควรกันทั้งปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาจากจิตใจจบการกับอารมณ์ที่มันกระทบกับทัางอันนี้ก็เหมือนกันบุคคลผู้ที่ฉลาดในปัญหาของเจ้าของในปัญหาของคนอื่นแล้วกันเหมือนกันครับผููที่ว่าอืม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 ท่านก็คงเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตน้นเดยเอาเรื่องตัวตนมาตอบมันจิงไม่หมดเปลือกมันอันนี้อนัจตาแล้วอัตตามันไม่มีแล้วเป็นอนาาัจจาท่านก็ไม่เห็นว่าอะไรส่วนใดส่วนหนึ่งว่ามันเป็นสัตว์มันเป็นบุคคลตัวตนเราเข้าเห็นแต่ว่าสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เป็นนามธรรมา ต่มันเกิดแล้วก็ดับไปถ้าหากว่าท่านจะตอบว่าสัตว์คนนี้ตายแล้วจะไปอยู่ตรงนั้นคนเกิดมาแล้วจะต้องตายตายแล้วต้องไปตรงนั้นหรือตรงไหนอย่างนี้ถ้าหากว่ามีความสงสัยอยู่อย่างนี้คงจะไม่หมดเรือกมันยังร่มหดวงหยุดในสกลหลังกายของเราจะนี้อันนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เหมือนไม่มี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 ยึดแนว่วางยึดมาตัวยึดเป็นตัวสมมุติเห็นเป็นมิมุติเด็วก็วางคือความจริงอันนี้ก็เรียกว่าพระปุณมันตะนีออกจากถิ่นฐานอันนั้นก็เที่ยววิเวกทุดงไปธรรมะของท่านเปรียมอยู่ด้วยปัญญาเป็นเหตุในท่าน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 เป็นนั่งอยู่ต้นไม้ต้นไหนก็ดีอยู่ที่ไหนก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามปัญหานี้ก็เรียกว่ามันเกิดเสมอเมื่อปัญหานี้มันเกิดเสมอไอ้ผู้ที่เฉลยปัญหานั้นมันก็เกิดเสมอถ้าหากว่าเราคิดเช่นนี้คิดเข้ไปในแง่อย่างหนึ่งก็ได้คือสังขารมันปุงแต่ง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 คือรู้ใครคือรู้เราคนเดียวให้แยบคลายที่สุดแล้วไม่ต้องสงสัยเลยไม่ต้องสงสัยอย่างที่ท่านอนุญาตอุปชาบวชท่านไรจีกาโลมานาขาตันตาตะโยนคือท่านย่ำอยู่ตรงนี้คือให้รู้คนคนเดียวเมื่อรู้คนคนเดียวอะไรจะรู้คนหมดทุกคน อาการภายในสมนกันเรารู้แล้วอาการภายนอกก็เป็นอย่างนั้นมุกคนมันเป็นอย่างนั้น<ม>ก่อนที่จะเกิดปัญญามันก็ง่เดซะก่อนมันถึงเกิดปัญญาหรือมันผิดซะก่อนมันถึงถูกเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกิน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 เมื่อพูดเป็นตัวบุคคลจริงๆผู้มีความสงสารเนี่ยมันจะอดอยู่ไม่ได้มันจะต้องไปช่วยคนสองคนนั้นให้มันแบ่งหนักขึ้นมาเป็นเบาถ้าเรามีสติมีสัญญาอยู่สองอย่างนี้นี่เมื่อมันกระทบเมื่อไรแล้วตัวปัญญานี่มันจะวิ่งมาช่วยแก้ไขอารมณ์นั้นเหมือนกันอย่างนั้น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 เห็นว่ามันไมแน่คือไปทักมันอันที่มันเกิดขึ้นมานั้นเราเห็นว่ามันเป็นของไม่มีราคาเพรว่ามันไม่แน่ความยึดมั่นถือมั่นของเราถอนออกมาเด็กก็มีการปล่อยวางไปในตัวนี้เสมออันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัฒนาอย่างอื่นนั้นไม่ใช่อันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสนาเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาว่ามันไม่แน่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 พอใจหรือไม่พอใจไม่พอใจแถวนั้นถ้ามันเป็นเช่นั้นเหตุที่จะให้เราเกิดทุกข์นั้นมันยังมีอยู่มันไม่สงบหรือมันสงบแต่ว่ามันไม่ระงับอันนี้จะทำให้ ม, มีความสงบมีความระงับธรรมะอันนี้ผู้ปฏิบัติเรานั้นเนี่ยไม่ค่อยสนใจนี่แค่นั้นปัญญาที่จะไม่ค่อยเกิด ถ้าเราหยุดอยู่ให้อยู่ตรงนี้ว่ามันไม่แน่ดีมันก็ไม่แน่ชั่วมันก็ไม่แน่รักมันก็ไม่แน่เกลียดมันก็ไม่แน่มันเป็นอยู่อย่างนี้ถ้าเห็นว่ามันไม่แน่อย่างนั้นเราก็ไม่มีอะไรจะไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเห็นแต่ว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันเองความรูเกิดขึ้นมาความสงบเกิดขึ้นมาความระงับเกิดขึ้นมา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 ยังไรก็ตามมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันอันนี้จะพาให้พวกเรานะั่ยพ้นจากความสงสัยเพราะว่าการทำทั้งหลายเหล่านี้ที่เรียกว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงมันจะหมุนรอบตัวมันอยู่เกิดขึ้นมายุทกเวลาเห็นยุทกขณะวันนี้ก็ต้องเห็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเห็นอย่างนี้เห็นอาการทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็ทอดอะไร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 คืออันนี้เองไม่จะอื่ไนไลาแต่เมื่อเราแก้ตัวเราไม่ได้เน่งก็เร็กว่ามันคิดเกินไปหรือมันคิดไม่ถึงของธรรม ะ, อ, ะอันนี้เป็นคู่มือของผู้ผผประพฤติปฏิบัติถึงแม้ว่าใจเรายังไม่สงบจากอารมณ์เห่านั้นก็ให้เราเข้าใจว่าอารมณ์เห่านั้นมันไม่แน่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 มันสกปรกไม่น่าปราศถนาทางร่างกายตนเดบุคพลื่อนอันนี้เป็นคำสอนของพระแต่ยังเถือจิตใจของเราที่มันแฝงอยู่มันยังไปชอบมันยังไปรักอันนี้อันนึงอยู่อันนี้ก็ไม่ตึงตัวมันมันยังยังจะรู้ว่าอันนั่นมันสวยมันงามอยู่เราก็แย่งนั้นไปตลอดเวลามันเข้าใจว่ามันสวย เราก็บอกมันวบาอันนี้มันไม่สวยอันนั้นมันแน่นอนแล้วก็ว่าอันนี้มันไม่แน่นอนอันนี้มันเป็นแกนสารแล้วก็วอันนี้มันก็ไม่แน่นอนอยู่เรื่อยอย่างนี้ปฏิบัติลุกไปเไรื่อยอย่างนี้อันนี้เราจะเบาใจของเรามีทุกข์เกิดขึ้นมาเราจะเบาใจเป็นเ็นที่พักของเรา เมื่อดําเนินการประพฤติปฏิบัติต่อไปจิตใจแล้วมันจะรู้อย่างนั้นแต่มันก็จะเห็นอย่างนั้นมเมื่อมันเห็นเช่นนั้นในความยึดมัน่นถือมั่นของเราแล้วมันก็คลี่คลายออกมาจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เห็นชัดเมื่อวันหลังจนหลังมาเราจะเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติของเร่านั้นความรู้ของเรานั้น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 อัตฉริยธรรมาภพรธาธรรมะทำภายในและทำภายนอกเมื่อรู้จะทำภายในก็รู้จะทำภายนอกเมื่อรู้จะทำภายนอกก็รู้จะทำภายในความฉลาดมันเกิดขึ้นอันนี้เองอืมจะอยู่ภางในก็ตามจะ อ, อยู่ข้างนอกก็ตามทำทั้งหลายมันเป็นเพราะมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นองค์พระปุณนมันตนีบุตรท่านจึงตอบท่านพระสานีบุตรว่า โรคเบตนาสัญญาสังขารวิญญาเกิดแล้วดับไปไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า น, นั้นทุกเกิดมาแล้วแต่ทุกดับสุกเกิดมาแล้วแต่สุกดับไปเท่านั้นมันเกิดแต่มันดับเท่านั้นอือันนี้ให้เราห ม, ม่ยมั่นไวในการประพฤติปฏิบัติทำมากของเราให้มันดีอันนี้จะเกิดประโยชน์อย่าไปคิดอะไรมันมากมายไปกว่า น, นั้น สงสัยเกิดขึ้นมาล้วดูในจิตของเรานี้ดูในร่างกายของเราหีิดูในจิตใจของเราหน้อันนี้จะได้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายซึ่งจงอกสงใจเดินจงกรมนั่งสมาธนนิเที่ยววิเวสัญจรไปความรู้อันนี้จะเป็นเครื่องคุ้มครองตัวของเราเสมอ เป็นเหตุในลืมตัวใ้ความผิดเกิดึมาก็รู้ว่ามันผิดถูกขึ้นมาก็รู้ว่ามันถูกอันนี้ถ้าเรารู้จักอา น, นิจจังจริงๆแลนะ้วมันจะไม่ยิ่งไปสองข้างถุกเกิดมามันก็ไม่ยิ่งออกไปจากทางทุกข์นี้ทุกขเ์กเกิดขึ้นมามันก็ไม่ยิ่งไปออกจากทางไอนความรักเกิดขึ้นมามันก็รู้มันก็ไม่ยิ่งออกจากทาง ในความเครียดเกิดขึ้นมามันก็ไม่รีบออกจากทางมันตรงไปเรื่อยๆอย่างนั้นอันนี้ถือว่าเป็นสัมมาปฏิปทาของผู้ผผปฏิบัติไม่มีทางสองมันไปนทางเดียวเอโกชมโมถึงแม้ว่ามรตมันจะมีถึงแปดต่างมันมันรวมมรตจะเป็นเอโกชมโมหรือเอโ ก, โกมโตมรตเพียงเดียวอ่างนี้ ทำมีอันเดียวนี้การมชันทะพยาบาทการมชันทะคือความรักใคร่ในต่างพยาบาทคือความกิดชาซาลอนความฟ้องไายกินนิมิตาอุจธารคูปุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญเคลือน กองเคลือบแคนสงสัยไม่ไม่มีไม่มีมมอืมจิตที่เรียกว่าเป็นอะไรอืมจิตที่บริสุทธิ์ ม, มันเป็นคนละเรื่องจิตไม่จิตที่บริสุทธิ์เขาเรียกว่าจิตอภิสอนจิตอภิสอนซึ่จิตมีความสว่างมีความรู้ทันมีความรู้เท่าทั้งหลายเหล่านี้ย <c oughs> มันจะไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นอีก อ่ า, อานั้นเป็นกิจที่ถือว่ า, าไม่ฝ่าคนกับอารมณ์ในใจเป็นเตเพียงรู้เหมือนกันใจนำท่ากบนำมันมันจะในขวดเดียวกันก็ดีกว่าอันนั่งไม่ฝ่าคนกันก็ได้ ถึงแม่ว่ามันปะปน ก, ไกนน็ไม่มีการแทรกซึมอย่างนั้นไม่มีการแทรกซึมมันมันมันคนนั้อยากก่างนั้นมันคนนั้นน้ำหนั ก, กนอย่างนั้นมันก็อันนี้คำสอนของพระท่านตถาคีรุวามันเป็นมันเป็น ปจิตตะปจิตตังจิตจิตอันนั้นที่มันรู้การเกิดดับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดเลยหลับกระทั่งพระใจเนี้ยมันเห็นความเกิดหลับของสิ่งทั้งปวงแต่ตัวมันเองไม่มีการเกิดดับ อย่เนี้๋ยวจิตประสอนสะอาดรู้รู้ไม่มียึดรู้ไม่มีหมายมัน่นรู้หมดเรื่อง <c oughs> รู้หมดเรื่อง <c oughs> มันก็ จีตใจสำนึกมันมันแปรเปลี่ยนหลายอย่างก็เหมือนอย่างที่ท่านเรียกว่าญาณกับปัญญามันของใกล้กันถ้าใครไม่มีปัญญา คนนั้นตัวไม่มีญาณคนไม่มีญาณคนนั้นก็ไม่มีปัญญามันก็จะนำมันกำลังท่าแต่ว่ามันถูกจองกันอยู่ก็ได้แต่มันไม่ปะปนกันรวมกันในขวดอันเดียวกันมันอยู่ในขวดเดียวกันแต่มันแบ่งซีกของมันอยู่โดยฐานะของมันเอง อันนี้ก็พูดเรียกว่าไม่ชัดใช <c oughs> ่พูดแล้วก็ไม่ชัดแต่ว่า <c oughs> มันมันเป็นเหตุให้พอมองขอไปเฉียดอะไต่ออะไรเึ้นมาท่านกล่าวว่า ใครในเขาไปถึงความสงบชัวคราวหนึ่งเป็นสามสิบนาทีหรือสิบนาทีก็ท่านบอกว่าไอคนนั่นเขาไปใกล้พระนิพพานที่นี่นี่แตกเปรียบเทียบอันนี้เราจะพูดเอาตัวจริงไม่ได้กระเพราะมีการเปรียบเทียบถ้าพูดเอาตัวจริงเนี่ยก็เลยว่า มันรู้เฉพาะเจ้าของเทนะ่านั้นมันเป็นปัจจัยต่างคือเอาจริงไม่ได้บางเห็นอย่า ง, งพระพุทธองค์ของเราท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญรับผิดอย่างรู้จักอะไรอดีตอนาคตปัจจุบันโร่นหมดทำไมท่านมาแสดงพระนิพพานหัวแจบแจ้งอย่างนี้คือความเป็นจริงนั่นท่านแสดงแก็บแจ้งได้ แต่ว่ามันเป็นกับเครื่องรับเนี่ยอืมันกะรี ม, มัวสูงไปหมดชนะอืมก็หาว่าพระพุทธองค์ของเรานั้นนะ่ะเมื่อท่านรู้แจ่มแจ้งแล้วทําไมท่านไม่แสดงธรรมะเรื่องปานิพานให้กระจางให้คนหายสงสยัยไอการหายสงสยัยแท้จริงนั้นไม่ใช่พูดให้กันฟังอืเฉยเฉยมันหายสงสยัยอาจารยมาเคยเปรียบอยู่เสมอว่า อย่างอย่างวัดเนี่ยอย่างวัดนี้มีคนคนคนอื่นเข้ามากันแต่เขาบอกใว้เราาเราฟังที่ว่าวัดท่านน้องพ่อท่านอยู่มันเป็นวัดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นไปรับฟังรู้เอนกันไงแต่มันไม่แจ้งอีกคนอื่นมาอีกก็ถามอีกท่านน้องพ่อท่านอยู่ยังไงไม่อะไรไหมคนนี้ก็พูดดีก็รู้เหมือนกันแต่มันไม่แก้คือมันรู้ไม่ถึงถึงตรงนั้น ถ้าหากว่าเราได้พากันมานั่งอยู่ในวัดวันนี้นะปัญหาที่จะต้องถามใครๆอีกมันหมดไปหมดเข้าใจไหมนะ่ว่มันเป็นอย่างนี้ไม่รู้อะไรมันติดบังพวกมันอยู่อันนี้ปัญหาอะไรที่เราจะต้องถามคนเนี่ยที่มาหรือไม่มาเน่ยหมดปัญหามันหมดเราถามคนอื่นเนี่ยวันปัญหาไม่หมดอืมีดูเอาเนี่ยมันเดี๋ยวนี้อันนี้สันเดียกว่ารู้ไม่ถึง <mister tumors> รู้ไม่ถึง응ทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นนะมันรู้ทุกคนแต่มันรู้ไม่ถึงการทำปฏิบัติทุกวันนี้ก็มีคนสนใจมาก แต่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าอะไรชาวสหรัฐไปเยี่ยมเพาะนั่นโอ้โหยคนสนใจเรื่องกรรมฐานอยูมากแกก็ไม่รู้ว่าเจ้าอะไร อ, อ, อืแต่คนไปดูไปชมอยู่นเนี่ยก็ต่างคนต่างไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรอืเป็นเย่านั้น เนี่ยคนสนใจมากบางคนก็ตามทำตามหลักที่บางคนก็เข้าใจไปอย่างนั้นบางคนก็เข้าใจอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจดีในเรื่องนี้มันจะไม่แปรเปลี่ยนไปอย่างอื่นถึงไม่ใครจะพูดไปตรงไห น, นมันก็ไม่แป ร, เ ป, แปรเปลี่ยนมันไม่แปรเปลี่ยนมันเช่นว่าอาท่านให้กรรมฐานเรา ทำยังไงคนยังไงวะฉันไปฟังมาท่านอาจารย์ท่านในภาวนาพุทโธแต่สันดีบายไปบางองค์ท่านกลวว่าท่านในกำหนดอนาปานสุติบางองค์ท่านกลวว่าท่านในกำหนดที่ยุคหนอคองหนอบางองค์ท่านกลว่าสัมมา阿拉หัน๊ อย่างนี้ไม่รู้ว่าจะอะไรมันถูกเม่โนอ่นอย่างนี้ <c oughs> คือเรื่องมันถูกเรื่องมันถูกเนี่ยไม่ถูกนั้นมันอยู่กับตัวเราเรามองข้ามตัวเราไปเสืมไ <c oughs> อ้ความจริงๆนั่นอาจารย์ทั้งหลายนั่ น, นที่ท่านเที่ยวชานในการปฏิบัตินี้เนี่ยก็เมื่อหากว่าท่าน อุปนิสัยของท่านถูกก็กรรมาฐานอันใดท่านในความสงบเพราะอันนั้นท่านก็ยกอันนั้นขึ้นมาให้เราฟังให้เราดูเห็นองค์หนึ่งเถอะว่าท่านรู้มีความสงบเพราะการกระทำกรรมฐานเนี่ยอนาปานสติ ท่านก็สอนในระหว่ะคำนุสอนาคปาในสติองค์อื่นเน่ยทำไมยกนะนี่เคยมาอืีต้องเพราะมันนาสัมมาอรหังดิเขาไปอย่างนั้นก็เพราะท่านรู้อย่างนั้นเพราะท่านเห็นอย่างนั้นถ้าเราจะไปมั่วูมในการทางหลายเรานี่อยู่เรารวมตัดตอ น, น, นไม่ได้มันบอกเป็ น, นที่วางเพราะว่าอารมณ์ความกำหนันมีมาก บางองค์ในข้างกุธกานเรานะั่นเดินไปนั่งอยู่เห็นพยับแดดเท่านั้นเนะ่ยัความตั้งขึ้นธรรมะขึ้นในใจธรรมะนี่ก็เหมือนกับพยับแดดเ่นั้นเนะ่ยมันมีอะไรแน่นอนเท่านั้นพนะอเห็นว่ามันแน่อย่างนะั้นจิตมันกว็วาง ท่านนั่นแต่ก็สำเร็จควารูปของท่านได้เหมือนกันนิดเดียวอ่ะอืที่เดียวอที่เราทำกันไปมดมากเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันมันจะกัดรูปมากมา ก, มากอย่างนั้นหรอกไม่ใช่มันเป็นอย่างนั้นไอ้จริงที่จำเป็นมันจริงจริงมันไม่มากอันเดียวแต่ น, นีน่ตัวอย่างท่นาออนพระอานน์ุนจะยก ต, ตัวอย่างประวัติของท่านอืม เป็นผู้ที่ใลรคิดพระพุฏิชาของเราพระอ น, นุน์้นครูนี้เขาจะทำสังคยานาแต่กระชี้เอาตัวพระอนุ์องค์หนึ่งในสังคยานาครั้งนั้นก็เอาเจ้าพระอริยบุคคลทั้งหมดขั้นสูงขั้นบนเลยตอนวันนั้นอานุนยังไม่เป็นอะไรเลย อดุลนนพอได้ยินเงื่อนก่อนร้อนใจนี่นการร้อนใจนั่นแหละถ้ามันเป็น อ, าาอนนะัศจรรมันไม่ร้อนอันนี้มันร้อนใจแล้วเ ย, ยังไงเราตินหน้าที่องค์หนึ่งที่จะประชมุมในสักกยนาพวก น, นี้ก็เขี่ยวเขียนทำความเพียรเยินบงังเดินบันั่งบงังราระพักอย่าง อยากจะบรรลุธรรมะไอ้ความอยากนั่นเนี่ยมันกันอยู่นั่นะไม่ใช่ทุก่นมันประกั้นหรอกไอ้ความอยากอยากจะบรรลุพระอรหันต์นั่นเนี่ยแต่แต่เราไม่รู้จักก็อืเขาเลือกโดยพวกนี้เนี่ยจะได้รวมในชุนมนุมสงศ์ใหญ่ก็อยากเป็นพระอรหันต์ไอ้ความอยากนั้นแหละแต่พระอโนุโมทิตไปอย่างอื่นนะอืม จะไปตัดที่ไหนไปทำอะไรตรงั้นไอ้ตัวอยากตัวที่อยากอยากเป็นพระอดหารนี่ไม่คิดเห็นนะก็อยู่งั้นแหละตอนยำคำก่ออยู่เดินไปยุ่ง น, น, นั่งไปยุ่งนันไม่รู้ว่าไอ้การตัดรูปจริงมันจะเป็นยังไงไปด้วยแต่อยากตัดรูปทำจนเหนื่อยจนจะวางก็ว่านั่งทอดถุยอยู่เรา มันจะมีบุญน้อยวัฒนาน้อยใช่ไหคิดไปคิดอะไรมันโปร่งไปหมดเหมือนกันแต่มันไม่รู้ถึงที่สุดมันมีปัญญาหลายรู้หลายได้ฟังได้ใกทุกระครเจ้าอันนั้นมันกันอยู่เสมอผลที่สุดแล้วก็มันจนจะสว่างแล้วก็ทอดอะไรทอดอะไรหรือว่าเราทำเกียรมากเกินไปมันเหน็ดเหนื่อยอะไรหมด กระเงลในใจของฉันเหมือนเธอเนะเดี๋ยวเขาทอดอะไรพุบเลยพอทอดอะไรพุบตัวนั้นมันวางทอดอะไรพุบตัวนั้นนะนะไอความเป็นพระเกิดขึ้นตรงที่วางตอตรงที่วางครับรู้สึกขึ้นตรงนั้นแบบ๋ยวเปลียนกายที่จะนอนอืมนะ ที่ษายังไมนถึงหมอนนี่ข้าวยังยกขึ้นในระยะอันนี้โดยที่ระยะที่พระอนุลทอดอะไรไม่มีการยึดมัน่นถือมั่นอะไรในระยะนั้นตำรา拉ทันเดียว่าในระยะนั้นพระพุทธเจ้าพระอนุ์ได้สัตยุทธ์เราจะเทียบเทียงรู้ก็ได้ต้องฝึกการภาวนา อนุกำนดลมอนาปานสติอย่างนี้ mm hmm. เมื่อเราฝึกใหม่ๆ mm hmm. การหายลม mm hmm. หายใจเข้าออกนี่มันก็่ังบา mm hmm. ไม่รู้จะเอาออกยาวเอาออกสั้นไม่รู้จะเอาไง mm hmm. บางทีโดยโดยหายใจไม่สะดวกเหนื mm hmm. ่อย อ, mm hmm. อันนี้หาเรารู้จักว่าไอตัวยืดติดไปบีบมัน คือไปแต่งมันไม่ปล่อยตามธรรมชาติธรรมชาติก็คือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติมันแยกกันไม่ออกเห็นนะไม่สบายบางทีบังคับลมจิตมันก็ฟุ้งไม่ถูกอันนั้นคือทาลมไม่สบายทำลมไม่ถูกที่เราเราดูนึกในระยะที่มันมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราจะเห็นว่า เราไปควบคุมมันเกินไปเราย้อนถอยหลังกลับไปว่าวันนี้เราทำงานอยู่เราก็สบายใจเราในเวลานั่นเพาอะไรเราได้ควบควบคุมลมของเราไหมอย่างเราเดินไปตามถนนต้นไม้นีไยุ่งกงนะับลมหรอเนลมมันก็ออกเพระมันตามเรื่องของมันเรื่อยๆไม่เห็นมันยุ่งอะไร เมื่อเรามาควบคุมมันบางทีมันยาวยาวบางทีมันสั้นๆบางทีมันอยากหยาบบางทีมันนื่ได้วุ่นขึ้นมาเลยอันนี้อำนาจของปัฏฐานยึดไปบังคับมันอือก็เลยเป็นเหตุใเคไปได้ที่ท่านเรียนว่าสมาธิหคือความสงบเนี่ยมันเห็นได้ยากคือมันมันมันไปถึงมันข้าบไปตรงนี้ขึ้ามันไม่เพ่งมันข้ามไปไอตรงจุดนั่นน่ะออตรงจุดที่ว่าไอการปล่อยวางนั่น มันมีแต่จะเอาทั้งนั้นตะโนเราอืมไอ้ตันหาเดี๋ยมันดันดันดันอยู่ดีเลยอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นนั้นอยากเป็นนี่อืมมันไม่มันหมดกำลังซะแล้วมันก็มันก็หมดท่าทางพวกมันละแต่ค่ากับของเนี่ยมันหล่นลงในในนี่ยในทรายเนี่ยเราพยายามหาโดยความอยากของเรานาะหาไม่ก็มาเห็นเรียกเพื่อนมาหาช่วยมันก็มาเห็นนี เทไปฟังหาจดหมดจิตปัญญาแล้วนะไอความรู้สึกของเรามันจะมันจะวางสั mm ่งเถอะอย่าแล้วหาอื่นใหม่จะได้ไปกลับบ้านดีกว่าเมื mm ่อ hmm. คิดอย่มันพอแล้วนะพอมันพอมก็วางนะมันวางก็พอสบายถ้าหากว่าเราจะเอามันอยู่อย่างนั้นันก็มีเราอยู่อย่างนั้นไม่สบายแหละ แต่เราทอดอะไรช่างเหมือนทอลอยมีคือการปล่อยวางจากความรู้สึกัองวางและอาจจะมามาเห็นว่าอันหนึ่งอีกความสงบนั้นความสงบของสมถะ อันความสงบของปัญญาเนะี่ยมันอันหนึ่งมันคนละอย่างกัน <c oughs> อนความเป็นจริงนะ่ะสงบเรื่องสมสาธินี่ท่าปัญญาไม่พ้นไปไม่ไหวพูดง่ายง่ยให้ฟังสงะดวกเจ้าว่า เ, เรื่องภาษาชนานี่นะ่ะเรื่องคนกัดจะรูได้นะ่ะเพราะปัญญาเท่านั้นนะพูดกันง่ายง่ายจะนั่งสมาธิสงบเฉ ย, เฉย ท่านปัญญาไม่ช่วยอันนี้ก็สงบแล้วก็กำเริกขึ้นมาฉะนั้นจต็จใแบงว่าช่วิดาตะโกเดวิชโชบางคนดนเนิ น, น, น, นทางจิตมันมีสองอย่างบางคนดำเนินทางจิตให้สงบเท่งจิตให้มากที่สุดเท่าที่มันสงบได้ที่สุดก็เอาที่นั่นนั่นแจว่าอ่า ถ้าปัญญาไม่ช่วยไปไหนไหนลม้มอืมพี่เรียกว่าปัญญาแรงด้วยปัญญาแรงด้วยจิตอย่างสมถะานี้มั น, ม, นมันสงบที่เรียกว่า คล้ายๆว่าวันนี้เราก็ไปอยู่ในป่าสะตรงที่เราเคยอยู่หรืออะไรมันกวนเราหรือคืนนี่ยงนี้แล้วก็ออกไปอยู่ในป่าสักพักก็เห็นความสงบในความสงบเช่นนั้นว่ามันสงบปเปียวเป ร, รา่าเถอะนะเพราะมันเพราะมันออกจากกลิ่นนันก็คือมันไม่เห็นตามความเป็นจริงันจนะ อันนี้เป็นสงบอันหนึง่งแต่ก็เป็นแรงช่วยให้ปัญญาเกิดเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ช่วยที่นี้ไอ้ที่ปัญญานี่ยไอ้ที่สงบเรื่องจิตใจมีนจะต้องหาที่สงบมันถึงสงบทําให้นานๆทำให้คล่องแล้วก็เรียกว่าไอ้ความสงบนั่นจิตใจอันนั้นะการปฏิบัติมันเกี่ยวข้องกับปัญญา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 ได้่า น, นี้จากดิงตัวนี้ไปไปจังหวัดเดินไปพบดิงอีกมันเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละนะดิงมันนา่าเกลียดอย่างนั้นเราจะเกลียดดิงเรจะไปอยู่ที่ไหนเราจะรู้ดิงอะไรต่อเมื่อว่าถ้าหากว่าเราเห็นออกิริยาของดิงมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอย่างนีน้ถ้าเราไปพบดิงอยู่ที่ไหนแล้วก็ปล่อยให้มันถ้าเลืุของมันทว่าโลว่างอย่างนั้นนั่นดิงก็เป็นของมันอย่างนั้น ถึงแม้มันจะเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนลิงก่อนแล้วก็ปล่อยแห่งลิงใช่ไหมเราก็ไม่เป็นทุกข์ที่การจเจ็กิดใจจะไปลงพระบดีงทำไมเนาะมันจะนิ่งใดเนาะอันนี้เราก็ไม่คิดเพราะสภาพว่าเห็นแล้วว่าสภาพลิงแบบมันเป็นอย่างนั้นอเห็นตัวเดียวทาราลิงเห็นว่าทุกตัวในโลกไายในก็สบายอะไรอย่างนั้นอืไอ้มนุษย์คือกันคนเราคือกันเหมือนกัน ที่พระพุทธเจ้าตั้งตอนในเกศาโรมานาสาจันตาตะคือท่านในสอนเห็นเราคนเดียวเท่านี้วุ่นแย่เมันเพราะคนอื่นก็มันลูกเวทนาสัญญาสังสารยินอย่างอันเดียวเท่าเนี้ยถ้าเราหลงก้อนนี้ก้อนอื่นเราก็หลมถ้าเราลูกก้อนนี้ก้อนอื่นเรากระลุ่รู้สิ่งที่ยยุกใกล้นี่ไกลแล้วก็รู้มันก้อนในเดียวกันเฉะนั้นพระพุทธองค์จึงในสอนเทวีนาร่างกายมีสิ่ง เป็นราักฐานที่สุดให้เห็นตั้งแต่ี่ศรีศรษะลงไปหาปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาหาศรีศารษะทั้งนี้ถ้ามันรู้เรื่องว่าสังขารว่ามันเป็นอย่างนั้นทุกส่วนเนี่ยแล้วก็อเห็นแล้วก็วางวางก็เพราะว่าทำไมถึงวางมันบังคับอย่างนั้นเองไม่วางมันก็เป็นทุกข์เพราะมันเป็นอย่างนั้น เราอยากให้เป็นอย่างอื่นมันก็ไม่เป็นอย่างเราอยากหเห็นแมวตัวหนึ่งแม่แมวทําไมเหมือนสุนัขเรา น, น, นย่าเนาะยัมี <c oughs> แม่เราอยากให้มันเป็นสุนัขมันก็ไม่เป็นแม ว, ม, ม, แ ม, วมันเป็นอย่างนั้นอื <c oughs> ถ้าใครอยากให้แมวเหมือนสุนัขไอ้คนนั้นทุกข์เลอยู่ถ้าคนไดเห็นว่าเออแมวแป่อยมันเป็นแมวแต่สุนัขเหเป็นสุนัขก็ยินงเล้วปล่อยวาง